ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวิเนยะสังคหะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่ยี่สิบหกวัสูปนาญิกะวินิชยกถาคาถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการเข้าจำพรรษา ในมาติกาคือแม่บทที่ว่าการเข้าจําำรรษามีวินิจฉัยดังต่อไปนี้การเข้ารรษามีสองอย่างคือเข้าจำํำรรษาต้นหนึ่งเข้าจำํำรรษาหลังหนึ่งในวันเข้ารรษาทั้งสองวันนั้นทิสุ พ, พึงเข้าจำํำรรษาต้นในวันปาฏิบทถัดจากวันเพนเดือนแปดก็คือวันอส า, าระบูชาถัดไปวันหนึ่งก็จะเป็นวันเข้าบรรษา ตัวดพิสูจผู้เข้าจําบรรษาหลังพึงเข้าจําในวันปาฏิบทหัดจากวันเพนเดือนอื่นก็คือหมายถึงถัดไปอีกเดือนหนึ่งคือเดือนเก้าจากวันเพนเดือนแปดนั้นหรือเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งนั่นเองถ้าไม่จําบรรษาแรกแต่ก็ต้องมีเหตุจึงเป็นจําบรรษาหลังได้ก็เมื่อพิกูุจะเข้าจําบรรษาพึงซ่อมแซมวิหารตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้ยังสามีจิกา ร, ร ม, มีการไหว้พระเจดีย์ทั้งปวงเป็นต้นให้สําเร็จแล้ว เพลงวาจาเข้าจําำรรษาครั้งเดียวหรือว่าสองครั้งก็ได้สามครั้งก็ได้ว่าอิมัสหมิงวิหารเรอิมังเตมาสังวัสังอุเปมิแปลว่าข้าพเจ้าจะเข้าจำพรรษาในวิหารนี้ตลอดไตรมาสนี้อันนี้ก็เป็นการอธิษฐานอยู่จำพรรษาหรือว่าอิมัสหมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัสังอุเปมิข้าพเจ้าขอเข้าจําบรรษาในอาวาส นี้ตลอดสามเดือนแม้ถ้ามีความผูกอะไรว่าเราจักอยู่ในที่นี้แต่ไม่เข้าจาภาษาเพราะหลงลืมสติเสนาสนะที่เธอถือเอาแล้วเป็นอันถือเอาด้วยดีภาษาก็ไม่ขาดท่านกัรผูกใจไว้ย่อมได้เพื่อจะปรนนาทีเดียวจึงอยู่แม้เว้นการเปล่งวาจาเพียงทํากริจักว่าผูกใจไว้ผูกใจว่าเราจะจำภาษาที่นี้ ก็เป็นการเข้าบรรษาได้เหมือนกันจิตตุก บ, บาทว่าเราจักอยู่จําำรรษาในที่นี้เพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นการผูกใจในการเข้าจําบรรษานี้ก็คือคิดนั่นเองคิดว่าเราจะจำํำรรษาในที่นี้ก็เรียกว่าเป็นการผูกใจเรียกว่าเป็นการทําความอานายไว้และภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะเข้าจำํำรรษาในวันเข้าบรรษาร่วงเลยวิหารสีมาไปเป็นอบัติทุกกด ถ้าตั้งใจว่าจะไม่จําบรรษาแล้วก็ล่วงเลยไปเป็นอบัติทุ ก, กฎด้วยการนับจํานวนวิหารที่ล่วงเลยไปถึงวันเข้าบรรษาแล้วก็เลยวิหารนี้ไปไม่เอาไม่จําบรรษานี้ละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็อบัตไปเรื่อยๆเลยก็มีพระบาลีตรัสไว้ว่าดูการที่สุทั้งหลายที่ถูกผู้ไม่ประสงค์จะเข้าจําบรรษาในวันเข้าบรรษานั้นไม่พึงแกล้งล่วงเลยอาวาสไปเสีย รูปใดร่วงเลยไปรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎดังนี้ก็ถ้าว่าในวันนั้นเธอไปยังอุปจาราวิหารร้อยที่แล้วเลยไปเตียเป็นอาบัตร้อยตัวนในวันเข้าจำพรรษาแล้วก็ตั้งใจว่าไม่จำพรรษาแนละ้วเลยไปวิหารหลังหนึ่งหลังหนึ่งวัดแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งก็อาบัตทุกกฎทุกวัดเลยแต่ถ้าว่าเลยวิหารไปแล้วแต่ยังไม่เข้าอุปจาราวิหารอื่น กลับมาเสียเป็นอบัตตัวเดียวเท่านั้นพิกตุผู้ไม่จําภาษาต้นเพราะอันตรายบางอย่างพึงเข้าจำํำภาษาหลังเสนนสนะที่มุงด้วยเครื่องมุงห้าชนิดชนิดใดชนิดหนึ่งมีประตูสําหรับเปิดปิดได้ของพิกตุรูปใดไม่มีพิกตุนั้นไม่ควรจาําจบรรษาจะจําำภาษาต้องมีเสนนสนะที่มีประตูเปิดปิดได้ด้วยเพราะมีพระบาลีว่า ดูกรที่สุดทั้งหลายที่สุผู้ไม่มีเศนาสนะไม่พึงเข้าจำพรรษารูปใดเข้าจำต้องอาบัตทุกกฎ ด, ดังนี้ที่สุไม่ควรจำพรรษาในกระท่อมผีในร่มและในตุม่มก็มีพระมาลีว่าดูความที่สุดทั้งหลายที่สุไม่พึงจำพรรษาในกระท่อมผีรูปใดเข้าจำรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎ ด, ดังนี้เป็นต้น ในกระท่อมผีเป็นต้นนั้นกระท่อมต่างโดยกระท่อมมีเตียงมีแม่แค่เป็นต้นชื่อว่ากระท่อมผีจะจำพรรษาในกระท่อมนั้นย่อมไม่สมควรก็แต่ว่าจะทำกระท่อมชนิดอื่นในป่าช้าแล้วจำพรรษาควรอยู่ถึงในร่มที่ตุจะปักร่มไว้ที่ในเสาสีเสาทำฝารอบติดประตูไว้แล้วจำพรรษาก็ควร กูดีเช่นนั้นชื่อว่ากุดีร่มถึงในตุ่มพิษตูจะทํากุดีด้วยกระเบื้องขนาดใหญ่ตามใดที่กล่าวและในเรื่องร่มเข้าจำํำรรษาก็ควรแต่จะอยู่ในตุ่มหรือว่าอยู่ในร่มเท่านั้นไม่ได้แต่ถ้ามีเสาแล้วก็ร่มไปผูกไว้ที่เสาในตัวร่มนั้นก็กลายเป็นหลังคาไปอันนี้ก็ได้มีประตูปิดเปิดพิษตูไม่ควรจำํำราษาในโครงไม้ล้วนเพราะมีพระบาลีว่า ดูกนที่สุดทั้งหลายที่สุดไม่ควรจำราษาในโครงไม้รูปใดจำรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎ ด, ดังนี้แต่จะทำกุฏีมุงบางด้วยแผ่นกระดานปิดประตูสำหรับเข้าออกในภายในโครงไม้ใหญ่แล้วจำภาษาควรอยู่แถ้าทำเป็นกุฏีให้มีหลังคากันฝนได้เวลาออกจากโครงนั้นแล้วก็ทากระดานเป็นประตูปิดเปิดอันนี้ก็สมควรใช้ได้ แม้จะตัดต้นไม้สับฟาปูลาดไว้ทำกระท่อมมีกระดานมุงบางบนตอไม้แล้วจำารรษาก็ขวดถ้าจะเป็นต้นไม้ที่ยังยังไม่ตายนี่ก็ต้องให้อนุสบำบั์ทำด้วยกับยิ่วุหานตัวเองทำเองก็ต้องรอาปฏิปจิตีถ้าไปตัดต้นไม้เที่ยงตูไ่ไม่เพืงจำารรษาบนคาคบไม้ล้วนก็มีพระบาลีห้ามไว้ว่า ดูการิกตุทั้งหลายปิกตูดไม่พึงจำภาษาบนคาคบไม้เป็นต้นแต่จะทำผูกเป็นร้านบนคาคบไม้ที่ใหญ่แล้วทำให้เป็นห้องมุงบางด้วยกระดานบนร้านนั้นแล้วก็ติดประตูแล้วก็จำภาษาเถิด อ, อันนี้ขึ้นไปอยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องไม่โูงเกินชั่วรุดแล้วก็ทำประตูมิด ช, ชิดมุงบังด้วยแผ่นกระดานอดีนี้จภาษาได้ พิกตุ จ, จําำภาษาในหมู่โคต่างก็คือพวกวัวที่คนดึกค้าในหมู่เกวียนและในเรือก็ได้ก็มีพระบาลีว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้จำํำภาษาในหมู่โคต่างได้ในโคต่างเป็นต้นนั้นสถานที่เป็นที่พักของพวกนายโคบาลทั้งหลายชื่อว่าพวกโคต่างพวกที่ใช้โคผลสินค้าไปขายอยู่ที่ต่างๆ เมื่อหมู่โคต่างย้ายที่ไปพิกตุจะไปกับพวกโคต่างไม่เป็นอาบัติเพราะพรรษาขาดก็มีพระบาลีตรัสไว้ว่าดูก่อนพิกตุทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้ไปกับหมู่โคต่างได้ก็คือถึงวันจำพรรษาแล้วยังเดินทางไปกับพวกหมู่โคต่างอยู่ถ้าเขาอยู่พักประจําที่ตลอดสามเดือนไปอยด่วัเข้าไปถ้าเกิดได้เวลาเขาแล้วเขาเดินทางต่อก็อนุ ญ, ญาตให้ไปกับหมู่โคต่างนั้นได้พรรษาไม่ขาดด้วยไม่ต้องอาบัติด้วย อันหนึ่งในวันเข้าบรรษาภิกษุผู้จำบรรษาในหมู่เกวียนพึงบอกพวกอุบาสกว่าอัตมาได้กระท่อบจึงควรถ้าพวกอุบาสกทำถวายพึงเข้าไปในกระทอบนั้นแล้วกล่าวสามครั้งว่าอิทะวาสังอุเปมิแปลว่าเราเข้าจำบรรษาในที่นี้เพราะว่าไม่ได้เป็นวิหารไม่ได้เป็นอาวาสเป็นหมู่เกวียนแล้วก็บอกว่าอิทะวาสังอุเปมิคือขอเข้าจาบรรษาในที่นี้แหละ ถ้าเขาไม่ทําถวายพึงเข้าจํารรษาภายใต้เกวียนที่ตั้งอยู่โดยทุวงทีอย่างสาธาไม่มีกุฏิก็เข้าไปใต้เกวียนและอธิษฐานว่าพระเจ้าขอจํารรษาที่นี้แหละเมื่อไม่ได้แม้ซึ่งที่เช่นนั้นก็พึงทําความอะไรเถิดก็คือตั้งใจไว้ว่าถ้าได้ที่อยู่ที่เหมาะสมสมควรก็จะเข้าจาํารรษาแต่จะเข้าจํารรษาในหมู่เกวียนนั้นไม่ควรเพราะว่าไม่มีเสดนานะ มีประตูปิดเปิดได้จึงไม่ควรจำพรรษาที่นั้นเพียงจิตตุบาทที่คิดว่าเราจะจำพรรศาในที่นี้ก็จัดว่าเป็นอะไรก็คือมีจิตตั้งใจในการที่จะอยู่จำพรรศาจะไม่ฝ่าฝืนต่อพระพุทธพจน์เพราะว่าพระพุทธพจน์นี้แสดงไว้ว่าถ้าไม่จำพรรศามีอบัตร เพียงจิตตุบาที่คิดว่าเราจะทำ บ, บรรษาในที่นี้ก็จัดว่าเป็นอาไรคือเป็นความผูกใจเอาไว้ถ้าหมู่เวียนเดินทางไปเรื่อยๆอยู่นั่นแหลจนถึงวันปวรารณาพึงปวรารณาในหมู่เวียนนั่นแหลก็ได้บันดาด้วยบรนดาลไม่ขาดแลวก็ไม่ต้องอาบัต ด, ด้วยเพราะว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราได้เสนาสนะที่ควรเราก็จะอยู่ทำ บ, บรรษาจะอยู่ทำ บ, บรรษาในที่นี้ถ้าก็เดินทางไป เดินทางไปกับเขาได้ถ้าหมู่เกวียนถึงที่ที่พิกจุปรารถนาแล้วภายในรรษาแล้วเลยไปก็คือจะเดินทางไปถึงที่นี้แหละแล้วเขาก็เดินทางมาถึงแล้วแล้วเขาก็ปรารถนาจะเดินทางเลยไปต่อแต่ว่าถึงที่ที่พราวิจุตั้งใจจะอยู่ตั้งใจจะพักแล้วภายในราษานั่นเองแต่ว่าพิจุก็ตั้งใจแล้วว่าจะจำภรษาในหมู่เกวียนผู้นี้ เพราฉะนั้นไปถึงที่หมายแล้วพิจุพึงอยู่ในที่ตนปรารถนาแล้วก็คือไม่ไปกับเขาแล้วแวอยู่ในที่ที่ตนตั้งใจจะมาแล้วก็ปภาวนากับพิกจุทั้งหลายในที่นั้นเถิดสัญหาก็ไม่ขาดในตอนรนากับพิกจุที่ที่เราตั้งใจจะไปอยู่ด้วยแต่ว่ามาไม่ถึงถึงวันเข้าบรรษาก่อนก็เลยเข้าบรรษาในหมู่เกวียนถ้าหมู่เกวียนหยุดอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ดีแยกกันไปก็ดี ในระหว่างทางภายในปัญษานั่นเองก็พึงอยู่กับพิกษุทั้งหลายในบ้านนั้นแหลเขาไปหยุดอยู่ที่หมู่บ้านไหนก็แล้วแต่มีพระพิษุในวัดไหนแล้วก็เข้าไปอยู่กับพิษุในวัดนั้นแล้วก็ปรนนากับพิษุในวัดนั้นยังไม่ได้ปรนนาจะไปต่อจากที่นั้นไม่ควรพวกหมู่เกวียนนี้เขาแยกทางกันเดินทางไปแล้วเขเลิกคือค้าขายแล้ว ไปสู่ก็จะต้องอยู่กับไปสู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วก็ปรนนารในหมู่บ้านนั้นจะเดินทางไปต่อไม่ได้แม้ไปสู่พูดจะจําำรรษาในเรือก็เพิงเข้าจําในกุฎีนั้นแหลหมายถึงว่าต้องมีกุฎีที่มีประตูเปิดเปิดได้ครั้นแสวงหาแล้วไม่ได้เพิ่งทำความอาลัยเถอดก็คือตั้งใจไว้ว่าเราได้ในอาณาจักที่เหมาะสมเราก็จะจําบรรษาแต่ว่าในเมื่อไม่ได้ก็ตั้งใจว่าเราจะจำราษาในที่นี้แหละ แม้ถ้าเรืออยู่เฉพาะในทะเลตลอดสามเดือนก็พึงปรณาในเรือนั้นนั่นแหลําำดับนั้นถ้าเรือถึงฝั่งฝ่ายพิจูดนี้เป็นผู้ต้องการจะไปต่อไม่ควรจะไปถ้ายังไม่ออกพรรษานี้ไม่ควรจะไปถ้ถึงฝั่งแล้วก็พึงอยู่ในบ้านที่เรือจอดนั่นแลแล้วปรวรณากับพิจูดทั้งหลายเธอถ้าแม้ว่าเรือจะไปในที่อื่นตามริมฝั่งเท่านั้น แต่พิจุอยากจะอยู่ในบ้านที่เรือถึงเข้าก่อนนั้นแหลเรือจงไปเถิดพิจุพึง อ, อยู่ในบ้านนั้นแหลเรือก็จะเดินทางไปต่อแต่ว่าพระพิุไม่อยากไปแล้วอยากจะอยู่ที่บ้านที่เรือไปถึงนั้นก็อยู่ที่บ้านนั้นที่วัดที่อยู่ในบ้านนั้นก็ได้แล้วพึงปรณนากับพิจุทั้งหลายในฐานะสามฐานะก็คือในโคตางอย่างหนึง่งในหมู่เกวียนอย่างหนึ่งในเรืออย่างหนึ่ง ไม่มีอาบัตเพราะพรรษาขาดทั้งได้เพื่อปราาด้วยประการชนิแลก็คือสามารอยู่จํารรษาในพวกโคตาในพวกหมูกเกวียนแล้วก็เทเรอได้ตะวันอได้ด้วยนับพรษาได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มีการรับกระถิ่นอะไรก็ไม่ได้ใหสงกระถิน่นอะไรแต่ว่าให้สงการจํารรษาหนึ่งเดือนเนี่ยได้ทิสตูผู้เข้าจํารรษาต้น ไม่อยู่ตลอดสามเดือนแรกเที่ยตูผู้เข้าบารญศาลหลังไม่อยู่ตลอดสามเดือนหลังไม่พึงเที่ยวไปถูที่จาริกเพราะมีพระบาลีว่าดูความเที่ยงตุทั้งหลายเที่ยงตู่จำบัญศาลไม่อยู่ตลอดสามเดือนต้นหรือสามเดือนหลังไม่พึงหลีกไปถูที่จาริกรูปใดลีกไปรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎ ด, ดังนี้คือถ้าอยู่จําบรญศาแล้วต้องอยู่ตลอดสเดือนจึงจะเที่ยวจาริกไปได้ ในระหว่างนี้ถ้าอาจะรยลีกไปนี่มีอบัตทุกกฎแต่ถึงเข้าจำปรญหาแล้วไม่อยู่จนถึงเวลารุ่งอรุณในที่อยู่แม้จะหลีกไปด้วยตัตตาหะการณียะในวันดั้นกลับภายในเจ็ดวันไม่เป็นอบัตจะป่วยกล้าไปใหญ่ถึงพิกษุผู้อยู่เพียงสองสาวันแล้วหลีกไปด้วยตัตตาหะการณียะกลับภายในเจ็ดวันก็คืออธิษฐานอยู่จำปรญษาที่นี้แหละ แต่ว่ามีเหตุการณ์สําคัญมีกรณีะเช่นอุปชาป่วยไม่สบายจะสึกพ่อแม่มีอันตรายพ่อแม่ป่วยส่งข่าวมาหรือไม่ส่งข่าวมานี่ไปเองก็ได้อันนี้ก็ลาหรือว่าทำสั ต, ตาหะกรณีะหมายถึงว่ามีกรณีะกิจสามารถไปได้เจวันสั ต, ตาหะก็แปลว่าเจ็ดวันการเป็นนิยะกมายถึงกิจก็สามารถที่จะไปได้แต่ว่าต้องกลับมาภายในเจวันถ้าไม่กลับภายในเจวันผ่านสาขา ด, ด้วย แล้วตั้งใจรู้ว่าเจ็ดวันจะล่วงเลยแล้วไม่กลับมาก็มีอัมบัติด้วยถ้าทำบิษณุห้าคนใดคนหนึ่งให้สร้างวิหารเรือนมุงแถบเดียวเรือนชั้นเรือนโล้นถ้ำบริเวณซุ้มโรงฉันโรงไฟกาพยักษกุฎีวัดจกักุฎีที่จงกรมโรงจงกรมบ่อน้ําศาลาบ่อน้ําเรือนไฟศาลาเรือนไฟสระ บ, บคขรนีบนดบอารามอารา ม, อารามวัตถุอุทิศสมหรือว่าคณะหรือว่า จจงถวายบุคคลก็ตามเมื่อส่งข่าวไปแสดงอย่างนี้ว่าขอภิกษุทั้งหลายจงมาข้าพเจ้าปราถนาจะถวายทานฟังธรรมและพบเห็นทิกษุทั้งหลายดังนี้ทิกษุควรไปด้วยสัตตาหมการนะิยะแต่เมื่อไม่ส่งข่าวมาไม่ผุนไปถ้าเป็นกิเกี่ยวกับให้ไปช่วยดูแลหรือว่าไปรับทานในการที่ก็จะถวายวัตถุอะไรต่างๆแกสงแกคณะหรือว่าแก บ, บุคคล ส่งข่ามาก็าไปได้เพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเจ็ดจำพวกส่งทูตมาเราอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหาการณียะได้แต่เมื่อเผาไม่ส่งมาเราไม่อนุญาตบุคคลเจ็ดจาพวกคือพิกตุทิสุณีสิกขามนาสามเณรสามเณรีอุบาสก อ, อุบาสิกาอันนี้ก็หมายถึงว่าเขาสร้างเทนัสนาต่ตางๆแล้วก็จะตั้งใจถวายสงหรือว่าคณะหรือว่าบุคคล ถ้าเขาส่งข่าวมาจึงไปได้ในเจ็ดบุคคลนี้ถ้าไม่ส่งข่าวมาก็าไม่ต้องไปอุบาสกลูกบาสิ ก, กาให้สร้างวิหารเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งบทิี่สอ์คณะหรือบุคคลเหมือนอย่างนั้นหรือให้ทําที่อยู่มีเรือนดอนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ตนหรือแสดงกิจที่ควรทําอย่างอื่นหรือเป็นใหยส่งทูตไปในสำนักพิสูน ท, ทั้งหลายว่าของอาราธนาพระกุศเจ้าทั้งหลายมา ท่านจะปรารถนาจะถวายทานจะฟังธรรมจะพบเห็นทิกจุดทั้งหลายดามนี้ทิศจุ พ, พึงไปด้วยสัตหาหการนิยะได้แต่เมื่อเขาไม่ส่งทูดมาไม่พึงไปอันนี้ก็สามารถที่จะไปได้เจดวันแม้กระทั่งเขาอยากจะถวายทานมีมนที่ถุกไปในระหว่งางพรรษาก็สามารถที่จะไปได้ก็คือไปโดยตัตหาหการนิยยะก็มีพระบาลีว่าดูการทิกจุดทั้งหลายเมื่อบุคคลเจ็ดจําพวก แม้ไม่ได้ส่งทูตมาเราอานุญาตให้พิจุไปด้วยสัตตาหาการาดีได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงต้องส่งข่าวมาเล่าบุคคลเจ็ดจำพวกก็คือพิกจุหนึ่งพิจุณีหนึ่งสิคมานาหนึ่งกัมเณนหนึ่งสามเนรีหนึ่งมานาหนึ่งบิดาหนึ่งดังนี้เมื่อไม่ส่งทูตมาพิจุจะไปด้วยเหตุนี้ว่าเราจักสแสวงหาจักถามหรือจักอุปถาดด้วยทีฬานพัฒ คีลานุปทาหรือเพษั์แกสะธรรมิษังห้ามีพิกษุเป็นต้นที่อาภาและแก่มนาบิดาที่เจ็ดป่วยดังนี้จะป่วยกล่าวไปยายถึงต้องให้ส่งทูตมาเล่าอันนี้หมายถึงว่าป่วยเป็นไข้ไม่สบายถ้าเป็นไข้ป่วยไปได้แต่ใ น, ในอันทกกะอัตกถาทั้งกล่าวไว้ว่า ชนทั้งหลายเหล่านัเป็นอุปถาของบมานาบิดาซึ่งเป็นญาติก็ดีไม่เป็นญาตก็ดีแม้เมื่อชนเหล่านั้นไม่ได้ส่งทูตมาจะไปก็ควรดังนี้ไปถึงเป็นคนอุปธาของมานาบิดาก็มีความสําคัญพอสมควรท่านก็บอกว่าให้ไปได้แต่ว่านี่เป็นความเห็นของอันทกกัอันทกระถาแต่ว่าคํานั้นท่านมิได้กล่าวไว้เลยท่านในอันทกระถาและบาลีเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรถือเอาท่านก็บกว่าอันนี้ไม่ได้ ถ้าไม่ได้เป็นพ่อแม่ไม่ใช่พิกจุพิกจณีหรือว่าสิกขมามนาสำเนศสำเนรีนี่ถ้าไม่ได้ป่วยไข้ไปต้องไปถ้าก็ส่งทูตมาถึงจะไปได้ถ้าก็ไม่ส่งทูตมาไม่ต้องไปแต่ถ้าเป็นพิกจุพิกจณีสิกขมามนาสำเนศสำเนรีซึ่งเป็นสามมิกรห้าแล้วก็มานาก บ, บิดานถึงแม้เขาไม่ส่งทูตมาถ้าป่วยไข้ก็ไปได้เลยไปอนุเคราะห์ไป ช่วยดูแลให้ธรรมะอะไรต่างๆอุปธรรมอุปถาต่างๆได้ก็ถ้าพี่ชายน้องชายหรือว่าญาติคนอื่นของพิกษุป่วยถ้าเขาสองพูดมาในสำนักของพิกษุว่าผมป่วยข อ, อนิมณฑฆคุณเจ้ามาข้าพเจ้าปรารถนาจะพบท่านพึงไปด้วยสตหาหะการณิยะได้แต่เมื่อเขาไม่สองพูดมาไม่ถึงไปถ้าเป็นพวกญาติพวกของพี่น้อง แต่ว่ายกเว้นพ่อแม่พ่อแม่นี่ไปได้ไม่ต้องส่งทูตมาแต่พวกอื่นญาติี่น้องพี่ป้า น, นะอะไรต่างเหล่านี้อยากจะให้ไปทาบุญอรต่างก็ส่งทูตไปถ้าบุคคลผู้พักดีต่อพิจุที่อยู่กับพวก พ, วกพิจุทั้งหลายในวิหารหนึ่งป่วยถ้าบุคคลนั้นส่งพูดมาในสำนักของพิจุทั้งหลายว่าผมป่วยขอนิมนต์พิจุทั้งหลายมาผมปรารถนาการมาของพิจุทั้งหลายดังนี้ ทิจตู่ไปด้วยศรัท ต, ตาหากาพนิยะได้แต่เมื่อเขาไม่ส่งทูตมาไม่พึงไปเขาจะจงรักภักตีต่อที่ตูกแค่ไหนก็แล้วแต่เป็นอุปธรรมอุปถัมภ์มานานยางไรก็แล้วแต่ถ้าในระหว่างพรรษาเขาป่วยเขาอยากจะเชิญไปทําบุญไปกราบไปรับศีลอะไรต้องส่งทูตมาถึงจะไปได้ถ้าความไม่ยินดีก็คืออยากจะศึกความรำคาญหมายถึงความจะร้อนใจ ความเห็นผิดเกิดขึ้นแก่พิจุพิสุณีศิกขามนาสัมเนรหรือว่าสัมเนรีแม้เขาไม่ได้ส่งทูตมาจะไปด้วยสัตตาหการณียะก็ได้ดึวคิดว่าเราจะระนับความไม่ยินดีจะวาพิตุอื่นให้ช่วยพาหลีไปจากบรรเทาความเดือดร้อนใจจากวาพิตุอื่นให้บรรเทาจากเปลื่องความเห็นผิดจากวาพิตุอื่นให้เปลื่องความเห็นผิดหรือจากทำธรมธรมกถาดังนี้ จะปลุกกาไปใหญ่ถึงเมื่อส่งทูตมาเล่าถ้าพิสูจนบางรูปเป็นผู้ต้องคาุธรรมก็คือต้องอบันเนควรแก่ปริวาควรแก่มูลายะปฏิกัารนาไปถึงว่าให้ชักเข้าหอาอับันเดิมล้มวันที่ได้อยู่ปริวาแล้วก็ชักเข้าหอาอับันเดิมว่าทํากรรมใหม่นับวันใหม่ถ้าต้องอบันในระหว่างที่อยู่ปริวาถ้าต้องอบันสัมภิษเศษเพิ่มนีนะก็ให้ล้มวันเก่าแล้วก็ทํากรรมใหม่ หรือว่าเป็นผู้ที่ควรแก่มาณัดควรแก่อภานแม้เมื่อพิกจุไม่ทรงทูดมาก็พึงไปด้วยคิดว่าเราจะทําความขวนขวายในกิจมีการให้ปริวญาเป็นต้นจักช่วยตรวจหรือว่าจักเป็นคณะปูรกษให้ดังนี้คณะปูรกษาหมายถึงไปนั่งปลอกไปนั่งทาคณะให้เต็มนั่นเองไปช่วยนั่งเป็นกําลังใจอะไรอย่าเงี้ยทำให้สารกรรมดัานบริบูรณ์ขึ้น จะป่วยกล่าไปใาญถึงต้องให้ส่งทูตมาเพ่ า, พาะาะนั้นถ้าเป็นพวกสาธรมิกหาดีจะกสัญยศสำคาญใจหรือว่ามีกิจที่จะต้องทำเกี่ยวกับสังคัมอะไรนีไม่ต้องส่งทูตมานี้ก็ไปได้เลยแม้ในนางภิษณุณีผู้ควรแก่มานัสผู้ควรแก่มูลายปฏิการนาหรือผู้ควรแก่อภานก็ในนี้นั่นแหลถ้าสามเณรประสงค์จะอุปสมบทใครจะถามภาษา หรือสิกขามนาใกล้จะอุปสมบทหรือสิกขาของนางกำเริ่มแล้วหรือนางสามเนรีเป็นผู้ใกล้จะสมทานสิกขาใกล้จะถามรรษาแม้ไม่ส่งทูตมาก็พึงไปได้จะป่วยกลาไปใหญ่ถึงต้องส่งทูตมาเล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับสาธมรบิฆาดีก็ให้ความสําคัญมากให้ไปได้เลยไม่ต้องส่งทูตมาถ้ารู้ ข, าข่าวก็ไปเองเลยก็ได้ทําสัตย์อหากานิยะไป ถ้าสง์ประสงค์จะทํากรรมคือตัชนียกรรมหมายถึงตำหนิติเตียนผงโทษด้วยตัดดยตชนีกรรมนิยสกรรมหมายถึงลดยศปลดตําแหน่งปราบชนียกรรมก็หมายถึงขับไล่ให้ออกจากวิหารนั้นปฏิสารณนิยกรรมก็หมายถึงกรรมที่ชวนหรือว่าทําให้ระลึกกลับคืนเนี่ยนะไปขอโทษเคราะห์หัดไปต่าวติเตียนหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีกับเคระหัดก็ให้ระลึกได้แล้วก็ไปขอโทษเสีย หรือว่าโอเคปิญญกรรมหมายถึงยกออกจากหมู่เพราะว่าไม่เห็นอาบัติหรือว่าไม่แสดงคืนอาบัตหรือว่ามีทิฏฐิอัลลามกสงประสงค์จะทํากรรมเหล่านี้แก่ภิกษุหรือว่าภิกษุณีแม้เมื่อไม่ส่งทูตมาก็พึงไปได้จะป่วยกราไปใหญ่ถึงต้องส่งทูตไปเล่าด้วยทําในใจว่าอย่างไรหนอะสงไม่พึงทํากรรมหรือสงพึงน้อมไปในกรรมที่เบาดังนี้ก็คือเป็นภิกษุภิกษุณี ที่รู้จักเป็นเพื่อนคบเป็นอุปชาอาจารย์หรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะไปเพื่อที่จะช่วยในการที่จะทาให้กรรมนั้นเบาลงหรือว่าไม่พึงทํากรรมนั้นแม้ถ้ากรรมนั้นทําเสร็จแล้วแม้เมื่อเขาไม่ส่งทูษมาพิกสุก็พึงไปได้หรือทําในใจว่าอย่างไรหนอะิิสุหรือภิกษุณีนั้นพึงประพฤติดโดยชอบพึงหายเ ย, ยื่ยยิงประพฤติแก้ตัวได้ สงเพื่งรังรบกรรมนั้นเสียดังนี้เพราะฉะนั้นก็ไปช่วยปลอบโยนไปช่วยแนะนำทำมีกระถาให้แล้วก็ให้ละคืนความดับพฤ้ไม่ดีต่างๆให้สงระับกรรมนั้นพิกตุจะไปแม้ด้วยสามข้ากาตนิญะก็คือกิจของสงที่เนื่องด้วยเตยนาสนะก็ควรก็มีพระบาลีว่าดูก่อนพิกตุทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้ไปได้เพราะกาตนญญะของสง ในเรื่องการนิญ่าของสองนี้พึงทราบดังนี้กิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่พิกจุพึงทํำในเสนาสนะทั้งหลายมีรงอุโบสถเป็นต้นก็ดีในสถานที่มีฉับและไพทีแห่งเจดีเป็นต้นก็ดีโดยที่สุดแม้เป็นเสนาสนะส่วนบุคคลของพิกจุทุกอย่างท่านประสงค์เอาแล้วว่าเป็นกิจอันสงอ์พึงทํำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้กิจนั้นสําเร็จ ทิศ ต, ตูควรไปเพื่อขนทัพพังสัมภาระเป็นต้นมาหรือเพื่อให้วยยาวจกรให้ค่าจ้างและรางวัลเป็นต้นแก่ชนทั้งหลายมีช่างไม้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งผู้ศึกษาบึงทราบในที่พ้นจากพระ บ, บาลีแม้นี้ในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้ทิกตูที่เขาไม่ได้นิมนต์ไม่ควรไปเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมคือถ้าจะนิมนต์ไปแสดงธรรมเพื่อที่เขาจะฟังธรรมนิมนต์มานิมนไปได้ แต่ว่าถ้าเขาไมาน่นิมนต์จะเปล่าอ้างว่าเดี๋ยวจะไปแสดงทําให้คนนั้นฟังคนนี้ฟังอันนี้ไม่ควรแต่ถ้าว่าพิกตุได้กระทําการนัดหมายไว้ก่อนในอาวาสใหญ่แห่งหนึ่งว่าเราทั้งหลายเพืประชุมกันในวันชื่อนนท์ตามนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ถูกนิมนต์แล้วได้จะไปก็ควรก็คือเป็นตกลงกันแล้วว่าภายในศาสษาวันนั้นวันนี้ให้เป็นประชุมกันเพื่อจะมีการสนดนาฏธรรมีการฟังธรรมกัน อันนี้ก็มีการตกลงกันไว้แล้วอย่างนี้ก็ไปได้สัตหะก็อนุญาตไปได้เพราะว่าเท่ากับเป็นผู้ที่ได้ถูกนิมนต์เหมือนกันเพราะว่าตกลงกันไว้แล้วจะไปด้วยคิดว่าเราจะซักล้างสิ่งของไม่ควรจะไปซักจีวรจะไปอะไรที่วัดโน้นวัดนี้ค้างคืนไม่ได้ถ้าไปวันเดียวกลับนี่ไม่มีปัญหาใไปได้แต่ถ้าจะไปค้างคืนนี่ไม่ได้ จะอ้างว่าไปซักล้างไปเอาของไปอะไรนี่ไม่ได้แต่ถ้าอุปชาและอาจารย์ใช้ไปไปได้ควรอยู่ถ้าวัดอยู่ในที่ไม่ไกลนะักเธอไปในวัดนั้นด้วยตั้งใจว่าเราจะกลับมาให้ทันในวันนี้แต่ไม่สามารถจะมาให้ทันได้ก็ควรอยู่เพราะอุปชาอาจารย์นั้นใช้ไปย่อมไม่ได้เพื่อจะไปแม้เพื่อประโยชน์แกอุเทศและปริบุตรชาเป็นต้นจะกล่าวอ้างว่าผมจะไปเรียน พระบาบีเรียนอัตถกาถาที่วัดนั้นวัดนี้อันนี้ไม่ได้จะสัตตะขาไปอย่างนี้ไม่ได้แต่ย่อมได้เพื่อไปด้วยคิดว่าจะเยี่ยมอาจารย์คือจะไปเยี่ยมอาจารย์เนี่ยไ ด, ได้แม้หนทางไกลแต่ก็คิดว่าจะกลับถ้าอาจารย์กล่าวกับเธอว่าคุณอย่าไปวันนี้เลยดังนี้จะไม่กลับก็ควรย่อมไม่ได้เพื่อจะไปเยี่ยมตระกูลอุปทาหรือวัสกุล ญ, ญาต ถ้าไปเยี่ยมอุปชาหรืออาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าคุณครั้งนี้ก่อนกันแล้วกันท่านก็คงจะต้องรู้ว่านะว่าถ้าไม่กลับแล้วเดี๋ยวเป็นสาคาแต่ว่าในเมื่อเป็นอาจารย์เป็นอุปชาให้อยู่ควรจะต้องอยู่เพราะฉะนั้นในทีนี้ไม่ควรที่จะมีปัญหาขาดถ้าเมื่อพิกษุจมัรษาแล้วชาวบ้านย้ายไปเพราะพวกโจรถามว่าในเรื่องนี้พิกตุควรทําอย่างไรตอบว่าพึงไปตามชาวบ้านเหล่านั้นเพราะว่าพรกตุอาศัยชาวบ้านบินปาน ถ้าชาวบา้านหนีไปหมดแล้วพี่ษววจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ไปตามชาวบ้านเหล่านั้นก็ได้ถ้าชาวบ้านนั้นแตกเป็นสองพวกฝ่ายใดมีมนุษย์มากกว่าพึ่งไปในฝ่ายนั้นเกิดไปกับเขาชาวบ้านเหล่านั้นไปตั้งินที่พักอยู่ตรงไหนก็อยู่กับเขานั่นเหนะแต่ถ้าเกิดเขาแยกกันไปสองพวกมนุษย์ฝ่ายใดมีมากกว่าก็ไปกับมนุษย์ฝ่ายนั้นนั่นแหละ ถ้าฝ่ายที่มากกว่าไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสฝ่ายใดมีศรัทธามีความเลื่อมใสพึงไปกับฝ่ายนั้นเพราะว่าอาศัยฝากท้องเอาไว้กับชาวบ้านนะนะก็ต้องอาศัยชาวบ้านแต่ก็เพื่อที่จะประพฤติ ธ, ธรรมเพราะฉะนั้นก็ปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นก็เป็นส่วนสําคัญของพระภิกษุในการที่จะเจริญสมณธรรมในการที่จะอบรมไตรจิตขาสําสหรับในเหตุนี้ถ้าชาวบ้านย้ายไปตั้งอยู่ไม่ไกล ที่ถูกพึ่งเที่ยวไปบินาบาบในบ้านนั้นแล้วกลับมายังวัดที่จําบรรสาเธอถ้าเขาย้ายไปไม่ไกลถ้าชาวบ้านย้ายไปไกลก็เพิ่งรับอรุณในวัดโดยวาระเจ็ดวันหมายถึงว่าไปอยู่กับชาวบ้านเหล่านั้นแล้วก็เจ็ดวันก็มาที่วัดที่จําบรนสาทีนึงก็เหมือนกับว่าสัตหาการณียะไปถ้าไม่สามารถเพื่อจะรับอรุณในวัดโดยวาระเจ็ดวันได้ก็พึงอยู่ในที่แห่งที่ถูกผู้เป็นสภาขะกันในบ้านนั้นเถอด ถ้าว่ามนุษย์ทั้งหลายถาวายสลกากพัดเป็นต้นตามที่เคยมาพึ่งบอกกับเขา ว, ว่าเราไม่ได้อยู่ในวัดนั้นก็คือเมื่ออยู่ในบ้านนี้แล้วมีโจรมาต้นชาวบ้านก็เลยย้ายไปหมดเลยเมื่อย้ายบปเราก็จะไปอยู่กับชาวบ้านเหล่านั้นก็ไม่มีเทน่าจหน้าที่พักอะไรต่างๆเลยก็เลยไปอยู่กับวัดที่สามารถที่จะมาผัดเปลี่ยนวาระรับอรุณที่วัดจำพรรษาได้ในเชวันเนียนะ ก็ไปอยู่กับพระภิกษุที่วัดนั้นถ้าเกิดเ้ามีสรารกพัตมีอะไรที่จะมาถวายต้องบอกเขาตามความเป็นจริงว่าเราไม่ได้อยู่ที่วัดนั้นแต่เมื่อเขาพากันกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้ถวายแก่วัดหรือว่าแก่ปราสาทข้าพเจ้าถวายแก่ท่านพระผู้เป็นเจ้าจะอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งก็าตามขอพระผู้เป็นเจ้านิมนต์ฉันเธิดดังนี้ที่ตษุพึงฉันได้ตามสบายพัดนั้นย่อมถึงแก่พวกเธอแท้ เพราะว่าความจริงแล้วพิกจุนี้ไม่ได้อยู่วัดนั้นไม่ได้จำพรรษาวัดนั้นแต่มาไปพักชั่วคราวเพราะามีเหตุท่านจึงก็ต้องแจ้งตามความจริงว่าไม่ใช่เป็นพิจุในวัดนั้นก็เมื่อทายกเขากล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงแจกการฉันในที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าเถิดดังนี้พิจุอยู่ณที่ใดพึงไปณที่นั้นแล้วพึงแจกกันตามลําดับพรรษาฉันเธอ ถ้าพวกทายกถวายผ้าจำำํำนำพรรษาได้เวลาที่พิกจูตปวารณาเสร็จแล้วผีว่าพิกูุทั้งหลายรับอรณุณโดยวาระเจ็ดวันก็พึงรับเถิดหมาถึงว่าพรรษาไม่ขาถ้ามารับอรณุณเจ็ดวันเนี่ยแต่พิกูุผู้พรรษาขาดพึงบอกว่าเราทั้งหลายม่ได้จำพรรษาในวัดนี้เราขาดพรรษาถ้าเขากล่าวว่าเศนาสนะของพวกข้าพเจ้าท่านให้ถึงแก่พระคุณเจ้าลาวใด พระผู้ธเจ้าเหล่านั้นจงรับเธอดดังนี้พิสุก็ควรรับเพราะว่าก็ไปอยู่ในเสนาสนะของเขาแล้วในอดีตก็จะมีประเพณีอย่างนี้ว่าถ้าใครไปสร้างเสนาสนะกุฏิวิหารเอาไว้แล้วพิสุรูปไหนเข้าไปอยู่ในกุฏิเสนาสนะของชาวบ้านหลังนั้นต้องรับผ้าจ ำ, ำานำบัญชาของชาวบ้านนั้นด้วยของผู้ที่มาสร้างนั้นด้วยก็จะมีประเพณีอย่างนี้ในสมัยก่อน ส่วนของควรแจกกันได้มีจีวรเป็นต้นที่พิกจุขนย้ายมาที่ในสถานใหม่นี้ด้วยคิดว่าขอที่เก็บไว้ในวัดอย่าที่เผยเฉลยควรไปอัปโลกแจกกันในวัดเดิมนั่นแหละถ้าไปนขนของขนจีวอนอะไรมาจากวัดเดิมดนียนะเพราะว่ามีโจรมาปล้นแล้วก็ย้ายวัดหนีมาดนั้นขนของนั้นมาท่านบอกให้เอากลับไปที่วัดเดิมแล้วก็ไปอัปโลกแจกกัน ถ้ากลับไปได้ถ้กลับไปไม่ได้ก็เอาปโลมแจกที่วัดใหม่ในแม้ของสงอันเกิดขึ้นในวัดนั้นเป็นต้นว่านาและสวนซึ่งทายกอมอบให้ไว้แก่กับอิจฉ า, ารกทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเจ้าถวายปัจจัยตีแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจากมูลค่าแห่งหนาและสวนนี้ก็ในนี้เหมือนกันก็คือจะต้องไปแจกกันที่วัดเดิมก็ของสงที่ควรแจกกันได้ จะอยู่ในภายในวัดหรือว่าภายนอกสีมาก็ตามทีของที่ควรแจกกันได้นั้นไม่ควรอัปโลกแจกแก่พิจุผู้ตั้งอยู่ภายนอกสีมาควรจะต้องอัปโลกแจกกันในสีมาแต่ของสงฆ์ซึ่งเป็นของควรแจกกันได้อันตั้งอยู่ในเขตทั้งสองสมควรแท้ที่จะอัปโลกแจกกันแก่พิจุผู้อยู่ภายในสีมาเราสีมาถปเกณฑ์จะทากรรมจะทาอะไรกันก็ทาในสีมา ก็ถ้าพิสูุนผู้จําบรรษาแล้วถูกสัตว์ร้ายเบียดเบียนเอาคือมันจับเอาไปบ้างมันไล่าตามมาบ้างหรือถูกมูร้ายเบียดเบียนเอาคือถูกมันกัดเอาบ้างมันไล่าตามมาบ้างหรือถูกพวกโจรเบียดเบียนเอาคือเขาทําร้ายเอาบ้างถูกปล้นบ้างรมตีบ้างหรือถูกพวกปีศาจรบกวนเอาคือมันเข้าสิงบ้างพาเอาไปบ้างพวกเธอพึงหลีกไปด้วยสําคัญว่านี้แหละเป็นอันตรายดังนี้ ไม่ต้องอาบัตเพราะพรรษาขาดแต่ถ้าเกิดไม่มีเหตุอย่างอื่นเลยแล้วก็หลีกไปอันนี้พรรษาขาดแล้วต้องอาบัติด้วยแต่ว่าถ้ามีเหตุอย่างนี้แล้วหลีกไปพรรษาก็ขาดเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องอาบัติถ้ามีอันตรายอย่างนี้หลีกไปได้ไม่ต้องอาบัตเพราะพรรษาขาดแต่ว่าพรรษาของเธอก็ขาดแหละเพราะว่าได้จับพรษาครบสามเดือนแต่ถ้าไม่มีเหตุอันตรายอย่างนี้แล้วหลีกไปพรรษาขาดด้วยต้องอาบัตทุกกฎด้วย แต่ว่าถ้ามีอันตรายอย่างนี้เมื่อเข้าภาษาต้นแล้วมีอันตรายอย่างนี้ก็ตั้งใจว่านี้เป็นอันตรายแล้วก็หลีกไปที่แห่งใดแห่นึ่งแล้วก็จำภาสาหลังนี้ได้จำภาสาหลังนี้ได้แต่ถ้าไม่ได้จำํำภาษาเลยก็ไม่มีการจำราษาก็ไม่ได้รับอันนี้สมอะไรรับกระถินก็ไม่ได้ถ้าหมู่บ้านถูกไฟไหม้หรือถูกน้าท่วมพวกพิสุยอมลำบาเพราะบินดบาบะจะหลีกไปด้วยคิดว่านั่นแลเป็นอันตราย ดังนี้ไม่ต้องอบัตเพราะพัรษาคาเสนาสนะถูกไฟไหม้หรือถูกน้ําท่วมพิจดุ ท, ทั้งหลายลำบากไม่เศนาสนะจะหลีไปด้วยคิดว่านี้แลเป็นอันตรายไม่เป็นอบัเอตเพราะปรรษาคาก็ on, ถ้าพิกดุทั้งหลายอยู่จำมรนสาย่อมไม่ได้โภชนะอาหารอันเศร้าหมองหรือประนีตบริบูรณ์ตามความต้องการจะหลีไปด้วยคิดว่านี้แลเป็นอันตรายดังนี้ถ้าได้โภชนะอาหารอันเศ้าหมองหรือว่าประนีตบริบูรณ์ตามความต้องการ แต่ไม่ได้โพชนะที่เป็นสปายะจะหลีกไปด้วยคิดว่านี้แหละเป็นอันตรายแม้ถ้าพิจูได้โภชนาหารที่เต้าหมอหรือว่าปราณีบริบูรณ์ตามความต้องการและย่อมได้โภชนะที่เป็นสปายะแต่ไม่ได้เพยตัดที่เป็นสปายะหลีกไปด้วยคิดว่านี้แหละเป็นอันตรายถ้าพิจูได้โภชนอาหารที่เต้าหมองหรือปราณีบบริบูรณ์ตามความต้องการได้โภชนาหารที่สปายะแล้วแม้เพยตัดก็เป็นสปายะด้วยแต่ไม่ได้อุปถากซึ่งสมควร จะหลีไปด้วยทิดว่านี้แหลเป็นอันตรายไม่เป็นอบัติเพราะพรรษาค่ได้ข้ออ้างทั้งปวงนั้นแต่ว่าไม่ใช่อ้างเล่เพราะว่ามีอุปถาบานแต่อุปถาี้ไม่ค่อยมีศีลแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเอเื้อเฟื้อเท่าที่ควรเป็นคนว่ายากสอนยากดื้อด้านแล้วก็ชอบโตเถียงขัดแย้งอันนี้อุปถาแบบนี้อยู่ด้วยก็ไม่ไม่เจริญด้วยกุศลจะไปก็ได้อาหารทั้งหลายก็มีฉันเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยสปายะ อาหารมีแต่เผ็ดๆทำงนนานพระพิตรุกฉันเผ็ดไปได้อันนี้ก็หลีกไปได้เหมือนกันอาหารไม่สัปะยะก็ท่าสตรีนิมนต์พิตรุที่จำภาษแล้วว่าจงศึกมาเถิดเจ้าข้าดิฉันจะให้เงินทองนาสวนโคตัวผู้โคโตเมียท่าทาสีแก่ท่านดิฉันจะยกลูกสาวให้เป็นภริยาของท่านหรือดิฉันเองจะเป็นภริยาของท่านหรือมิฉะนั้นดิฉันจะนําหญิงอื่นมาเป็นภริยาของท่าน ภาพพิสูจนมีความคิดในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าจิตเป็นธรรมชาติกลับกรอกเร็วนะักอีกหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พระมรรจัของเราได้ดังนี้จะหลีกไปไม่เป็นอบัติเพราะพันสาขาดหญิงแพทย์สยานิมนต์หรือว่าสาวเถื่อนิมนต์สาวเถื่อก็หมายถึงหญิงที่ไม่มีสามีสาวแก่นั่นเองบรรเดาะนิมนต์พวกกระเทอทั้งหลายมั น, นิมนต์เชื้อเชิญให้กาบกุลทั้งหลาย พวกญาณนิมนต์พระราชาทั้งหลายนิมนต์ถรือว่าพวกโจรนิมนต์พวกนางเลงนิมนต์ตามในดังกล่าวแล้วมีในนี้นั่นแหละท่านพิจุผู้เข้าจํบาบรรษาพบขุมทรัพย์อันหาเจ้าของมีได้ท้านพิจุมีความคิดในเรื่องขุมทรัพย์นั้นอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าเกิตเป็นธรรมชาติกลับกลอกเร็วนะักอีกหน่อยจะเป็นอันตรายต่อพระบัญชาของเราได้ดังนี้จึงหลีกไป ไม่เป็นอบัติเพราะพันสาขาดอันนี้อันตรายของพระพิกษุก็มีมากมายถ้าพิสุผู้จำพรรษาแล้วเห็นพวกพิกสุหลายรูปพยายามขวนขวายเพื่อทําลายสง์หรือได้สดับข่าว่าพิกษุหายรูปพยายามขวัขวายเพื่อทําลายสง์ถ้าพิสุมีความคิดในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสังฆเพศเป็นกรรมหนักยิ่งนัดเมื่อเราอยู่พร้อมหน้าสง์อย่ากแตกอันเลยดังนี้จึงหลีกไป ไม่เป็นอบัติในเพราะภาษาขาดกลัวว่าอกุศลจิตจะเกิดคือว่ากลัวว่าเขาจะต้องมาชักชวนมาทําให้แบ่งแยกหรือว่าเข้าไปสมัครพรรพวกอะไรต่างก็หนีไปจากที่นั้นเพราะว่ากลัวว่าสงจะแตกกันในเมื่ออยู่ร่วมด้วยนี้ก็ไม่อยากจะเห็นแล้วว่าสงแตกกันก็หลีกไปได้ไม่ต้องอบัติเพราะภาษาขาดแต่ถ้าไม่จำภาษาหลังก็ไม่มีการจำภาษา ถ้าพิสูุผู้เข้าจำบรรษาแล้วได้สดับข่าวว่าได้ยินว่าในอาว่าชื่อนนท์พิสูจนหลายรูปพยายามกวนขวายเพื่อทำลายสง์ถ้าพิสูจน์มีความคิดในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าพิสูจพวกนั้นล้วนเป็นมิตรของเราเราจักว่ากล่าวพวกเธอว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเลยว่าสังฆเพศเป็นกรรมหนักยิ่งนะักพวกท่านอย่าพอใจทำลายสงเลยดังนี้พวกเธอจักทำตามจักเชื่อฟังคำของเรา กับเนื้โสตดับดังนี้จึงหลีกไปไม่เป็นอบัติเพราะพันสาขาดแต่เมื่อสองแตกกันแล้วไม่จําเป็นต้องไปนะถ้าจะไปชักชวนให้เขาสามัคคีกันไม่ให้ทออําลายสงมณีก็ไปได้สัตหการณีาายะไปก็ได้แต่ถ้าสงแตกกันแล้วก็ไม่ต้องไปแหละถ้าพิกษุบางรูปเมื่อเขานิมนต์ว่านิมนต์อยู่จําพรรษาตลอดไตรมาสนี้ในอาวมานี้ดํานี้แล้วรับจําพรรษา แต่ว่าทําให้คลาดเคลื่อนไปเป็นอาบัติทุกกฎเขาเรียกว่าปฏิติทวะทุกกฎก็คือรับปากว่าจะจำบรรดาที่นี้แล้วแต่ว่าไม่ยอมกลับมาบอกหรือว่าไม่ตรงข่าวมาบอกแล้วก็ไปจำบรรดาที่อื่นนี่ต้องอาบัตทุกกฎย่ยอมเป็นอาบัตทุกกฎในเพราะทําให้คลาดเคลื่อนแก่พิจุผู้รับปากแล้วทําอย่างนั้นอย่างเดียวก็หาไม่ย่อมเป็นอาบัตทุกกฎในเพราะทําให้คลาดเคลื่อนแก่พิจุผู้รับคำแม้โดยนเป็นต้นว่า ขอท่านจงรับพิษตาตลอดสามเดือนนี้แล้วพวกเราทั้งสองจะอยู่จำพรรษาในที่นี้ mm. ก็ไปบอกว่าจะอยู่จำพรรษาในที่นี้หรือว่าจากสวนบาลีโดยพร้อมเพียงกันดังนี้ก็คือไปรับปากอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ทําให้หรือว่าไม่ทําตามที่รับปากไว้แล้วจะไม่มีเจตานาจะมุสาทั้งารที่จะทำํำนียแหละแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําได้แล้วก็ไม่ยอมจะมาบอกก่อน ได้ส่งขาวมาบอกอันนี้ก็เรียกว่าปฏิสวะทุกกฎเป็นทุกกฎเพราะว่ารับนิมนต์แล้วไม่ทําตามย่อมมีเพราะให้คลาดเคลื่อนในภายหลังเป็นปัจจัยสําหรับทิฏฐุผู้มีจิตบริสุทธิ์ในคราวแรกแต่สําหรับทิฏฐุผู้มีจิตไม่บริสุทธิ์ในคราวแรกควรกลับอาบัตอันนี้ควรจะต้องเป็นทุกกฎเพราะว่ารับธรรมเป็นปานจิตีก็ทําให้คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นปานจิตีกับทุกกฎจึงถูกต้อง พิสูจน์ทั้งหลายผู้เข้าจำปรญหาพึงบอกพิสูจน์ทั้งหลายผู้ตั้งวัดประจําภายในบรญษาแล้วจำบรรษาว่าท่านทั้งหลายจงผูกไม้กวาดไว้ก่อนที่เข้าบรญหาแล้วก็ควรจะผูกไม้กวาดถ้าด้ามและซี่ไปของหาได้ง่ายควรผูกไม้กวาดด้ามยาวไว้รูปละห้าถึงหกอันหรือผูกไม้กวาดด้านสั้นไว้รูปละสองสามอันถ้าเป็นของหายากทั้งดา้านมัละซี่ก็หายากควรผูกไม้กวาดไว้รูปละสองสามอัน หรือปลูกไม้ปาดนั่มยาไว้รูประหนึ่งอันสำเนินทั้งหลายพึงต่อกคบเพลิงไว้ห้าหกอันพึงทําการประพรมด้วยน้ํำฝาในสถานที่อยู่ก็แลเมื่อจะตั้งวัดไม่พึงตั้งวัดที่ไม่เป็นธรรมเห็นปาดนี้ว่าอย่าเรียนเองอย่าให้ผู้อื่นเรียนอย่าทําการสารยายอย่าให้บรรพชาอย่าให้อุปสมบท อย่าให้นิสต่ยอย่าทำธรรมสัมวนาคือไม่ต้องฟังธรรมะนะฟังานี้ต่างคนต่างอยู่กันเงียบๆอันนี้ก็เป็นกติกาที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าพวกเราทั้งหมดนี้ยังเป็นผู้มีธรรมเครื่องเนื่อนช้าหรือว่าที่สุดทุกรูปจงสมาทานทุตองสิบสามด้วยคิดว่าจะเป็นผู้ไม่มีธรรมเครื่องเนื่อนช้าทรรสมณธรรมเท่านั้นอย่าสําเร็จการนอนจงให้คืนและวันล่วงไปด้วยการยืนและจงกลม จงถือมุขวัดก็คือไม่ต้องพูดกันทำตนเป็นไบอันนี้เป็นกติกาที่ไม่เป็นธรรมแม้ต้องไปด้วยสัตหาการนิยะก็ไม่ได้พันธะที่ควรแจกก็คือถ้าใครลาไปเจ็ดวันสัตหาการนิยะไปด้ไม่ได้ของแจกไม่ได้พันธะเนะของที่เกิดขึ้นในอาว่า น, นี้นก็ไม่ได้แก่ผู้นั้นถ้าใครไปด้วยสัตหาการนิยะ อันนี้เป็นกติกาที่ไม่เป็นธรรมทั้งนั้นเลยการเพียรในการที่เป็นัตบอบรมไตรจุฬานั้ก็ดีอยู่แล้วถึงแม้ทวดงนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ได้บังคับให้สมทานเพราะฉะนั้นใครมีฉันทะจะขัดกลาวกิเลตให้ยิ่งขึ้นก็สบทานถ้าใครไม่มีฉันทะมีอิทรีอ่อนก็ไม่ได้สมทานโดยรักษ า, ษาสิทธิเอาไว้ให้ได้ก็ดีแล้วแต่พึงกระทําอย่างนี้คือพึงทําวัดเห็นป่า น, นี้ว่า ธรรมดาปริยติธรรมย่อมยังสััทธรรมแม้สามอย่างให้ตั้งมั่นเพราะเหุนนานท่านทั้งหลายจงเรียนบาลีจงให้เรียนบาลีโดยเคารพจงสาธยายโดยเคารพอย่ารบกวนที่สุดทั้งหลายผู้อยู่ในเรือนบำเพ็ญเพียรจงนั่งภายในสำนักเรียนบาลีให้เรียนบาลีทำการสาธยายจงทำการปั่นทำให้สำเร็จเมื่อให้บรรณาต้องชระให้เรียบร้อยแล้วจึงให้บรรณา เมื่ออุปสมบทต้องชำระให้เรียบร้อยแล้วจึงให้อุปสมบทเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติวิบัติทั้งหลายเนี่นะทําให้สมบัติจะเป็นสีมาจะเป็นวัตถุจะเป็นยตินั้นพุทธสาวดาหรือว่าบริษัทก็แล้วแต่ก็ต้องชำระให้เรียบร้อยเมื่อให้นิสัยต้องชำระให้เรียบร้อยแล้วจึงให้นิสัยด้วยว่าคนละบรแม้ผู้เดียวได้บรรพชาและอุปสมบทแล้วจักดํารงพระศาสนาทั้งมวลไว้ได้ถ้าเป็นผู้ที่ ตั้งใจในการที่จะบวชเนรบวชพระก็ควรจะชาระทำให้บริสุทธิ์เพราะว่าเขาเหล่านั้นสามารถที่จะศึกษาทรงจำคำสอนปฏิบัติแล้วก็สื่อตอบพระศาสนาไว้จงสมาทานทุดงเท่าที่สามารถจะทำได้ตามกำลังของตนชื่อว่าตลอดภายในภาษานี้พึงเป็นผู้ไม่ประมาทต้องปรารจความเพียนตลอดทั้งวันและในปฐมยามและในปัจฉิมยามเวลาราตรีนอนในมัชิมยามเมาานนนมามท่านั้น นอนนั้นก็ให้บาเพ็ญเพียรถึงพระมหาเถรรทั้งหลายแต่กล่าวก่อนก็ได้ตัดกังวลทุกอย่างเสียบําเพ็ญวัดคือกรรมฐานภาวนาที่จะพึงประพฤติผู้เดียวภายในบรรษาสมควรผู้รู้ประมานในถ้อยคําที่จะพึงกล่าวก็คือกล่าวถ้อยคําที่เป็นประโยชน์เท่านั้นถ้อยคําที่มากเกินไปก็ไม่ควรที่จะกล่าวให้รู้ประมาณในการกล่าว ก, กระทํากถาวัตถุสิบประการ ก็คือเรื่องที่ควรจะพูดสิบอย่างก็ได้แต่พวกสันโดษมากน้อยไม่คุค้ครีวิเวกเรื่องของศีลเรื่องของวิริยะความเพียรสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์นะพวกนี้ก็เรียกว่ากถาวัตถุก็ควรจะต้องเรียนแล้วก็น้อมนํามาปฏิบัติอสุภะสิบประการอนุสติสิบประการและกถาตารบอารมณ์สามสิบแปก็คืออารมณ์กรรมฐานทั้งหมดสาสิปดประการหรือว่าสี่สิบประการก็ได้เดียวกัน สมควรทําวัดแก่พวกพิษุอาคันตุกะควรอปภรอกให้แก่พิกษุทั้งหลายผู้ไปด้วยสัตหาการานิยะอีกประการหนึ่งพึงเตือนพิกษุทั้งหลายว่าอย่ากล่าวถ้อยคําที่ให้เกิดความขัดแย้งกันคําส่อเสียดและคำหยาบต้องนึกถึงศีลทุกๆวันอย่าให้อารักขกรรมฐานสี่อย่างเสื่อมคลายอารักขากรรมฐานก็หมายถึงกรรมฐานที่จะต้องรักษาอาไว้หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสัพพัตกะกรรมฐานนั่นแหละ ก็ได้แก่อะไรบ้างได้แก่พุทธานุสติเมตามรณสติแล้วก็อสุภะสี่อย่างนี้พุทธานุสติเมตามรณสติการร้ถึงความตายแล้วก็อสุภะกรรมฐานพิจารณาความไม่งามในร่างกายนี้ควรจะเจริญส่วนกรรมฐานที่จะเอาเป็นก่อเป็นกรรมหรือว่าบริหารเอาไว้เขาเรียกว่าปาริหารหกะบบริหารจะต้องเจริญ จะเอาให้ได้ฌานได้อภิญญาอนนันก็เรียกว่าปริห า, า, านิกะกรรมฐานจงเป็นผู้มากด้วยมนุิการอยู่พึงบอกธรรมเนียมเคี้ยวไม้สีฟันเมื่อกําลังไหว้พระเจดีย์หรือว่าต้นโพก็ดีเมื่อกําลังบูชาด้วยของหอมและมาลัยก็ดีเมื่อกําลังเอาบาตรเข้าถลกก็ดีไม่ควรพูดก็คือควรจะมีสติสัมปชัญญะขณะที่ไหว้พระเจดีย์ต้นโพหรือว่าบูชาด้วยของหอมมาลัยและกระทั่งเอาบาตรเข้าถลก เพราว่าบาศ์สมยก่อนนี้เป็นบาศ์ดินเพราะฉะนั้นอาจจะแตกได้ง่ายทาไม่ ต, มตระมัดระวังก็ไม่ควรที่จะพูดควรมีสติในการที่จะรับสาบาศในขณะนั้นมีบาศอยู่ที่มือก็ไม่ควรที่จะเปิดประตูอะไรพวกนี้นั้นดังนั้นก็ไม่ควรจะพูดพึงบอกพลิกสาจารวัตก็คือการเข้าไปเที่ยวบินบาศว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างพึงบอกนิยานิกกรมถา ก็คือการพูดที่จะทําให้ออกจากวตัตฏะให้ออกจากกิเลสทั้งหลายแม่มากเห็นปา น, นี้บ้างว่าอย่ากล่าวถ้อยคําที่าพาดพิงถึงปัจจัยอย่าไปเรียบเคีย่ยมคนอื่นเขากระหับต่างๆนี้อย่าไปเรียบเคียงเพื่อให้ได้ปัจจัยตีหรือถ้อยคําไม่ถูกส่วนกับชนทั้งหลายภายในบ้านอย่าไปพูดให้เกิดความแตกร้าวทะเลาะกันต้องไปพูดระวังอินทรีย์ต้องบําเพ็ญขันธวัดก็คือข้อวัดที่จะต้องปฏิบัติ ภูบาจารเตนะสนะอคันตุกะคำพิกวัตอะไรต่างๆเหล่านี้และเสขียวัดก็คือข้อปฏิบัติที่จะต้องศึกษามีการขบการฉันการนุ่งการหม่มการเข้าในแวดบ้านหรือว่าการสแสดงทารเป็นต้นฉนี้แลอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติของพระภิกสุที่จะจําบรรษาถึงแม้ว่าจำบรรษาแล้วก็ยังจะต้องปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่าบวชเข้ามาแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นก็ต้องทําตามกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปเป็นทางหรือว่าเป็นกิจที่ เขาเรียกว่าสมณกิจเพื่อกูนแต่การที่จะออกอยวตต์เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ในการนี้ศึกษาพระวินยัยแล้วก็น้อมนำไปกระเพื่อปฏิบัติเป็นฐานแห่งการที่จะเจริญสมณธรรมเบื้องสูงก็คือสมณฐะแล้วก็ออกวิปัสนาของความเจริญในธรรมวินยัยความเจริญในไตรสิกขาความเจริญด้วยโพธิปเัเยธธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้เอื้อเฟื้อในธรรมวินยัยแล้วก็มีศรัทธานในการที่จะฟังวินัยคาถา คษถาวินิจฉัยเรื่องการเข้าจำภาษาในบาลีมุตตะวินยะวินิจฉัยสังหะจบแล้วสาธุสาธุสาธุ